สวัสดีวันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใกล้ๆวัดแอดมมนตันแคนาดาคือโทโนาโดทางการประกาศว่าให้ร่วงทโทนาโดจะมาทโทนาโดก็พัดกลงวัดมาแต่ว่าอัศจรรย์ ขอจะมาถึงวัดกเนน็เป็นหนีไปทางเดเว่นลาดุกแล้วก็ริมบีเวลานี้อากาศก็โปรอดตรงวันนี้ก็คงจะเล่าถึงเรื่องหนึ่งแม้ว่าจะเป็นธรรมะหรืออย่างไรก็ให้คิดกันเองว่าสมัยครั้งพระพุทธจเจ้าพราะองค์ได้ต่ออายุให้เด็กคนหนึ่ง แต่คนนั้นเป็นลูกของพราหมณ์แล้วก็มีดวงชะตาขาดเมื่อไปถามโหราศาสตร์คนนั้นเขาก็บอกว่าอายุเจ็ดขวบต้องตายแล้วแล้วก็เอาไปถามหมอดูคนนี้อีกเขาก็ทายอย่างเดียวกันคือเจ็ดขวบก็ตายแล้ว เอาไปถามอีกอาจารย์หนึ่งก็หลายอาจารย์หลายโหนแล้วก็พราหมณ์นั้นก็มีเงินทอมากเขาเรียกว่าพราหมณ์มหาศาลนะมีเงินทองเยอะแยะแล้วก็มีลูกคนเดียวเท่านั้นก็ไม่มีอีกแล้วแล้วเธอก็เสียใจอย่างมากว่าลูกของเขาค ง, งจะตายในเมื่ออายุเจ็ดขวบ แล้วก็มีคนแนะนำบอกว่าไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอาจจะช่วยได้เมื่อไปถึงก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเด็กคนนี้จะอายุสักเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็ทรตรัสว่ามีอายุเจ็ดขวบเช่นเดียวกันกันกบทีหมอดูทั้งหลายดูมันก็แน่ใจแล้วว่าต้องตายแน่แล้ว แล้วพระพุทธองค์ก็ได้มีทรงพระเมตตาเมื่อพรามได้ทูลขอว่าทำอย่างไรที่จะให้ลูกของข้าพเจ้าจะมีอายุยืนยาวต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสามารถทำได้แต่พรามจำเป็นที่จะต้องถือศีลเมื่อถือศีลตามเท เราจะถารคตได้ให้สินมี5ห้สิห้าเป็นต้นแล้วแล้วก็พรามก็จงอาธิฐานว่าเด็กคนนี้ก็จะได้เป็นผู้ปฏิบัติดีหรือว่าเป็นผู้ที่มีสินธรรมต่อไปนะพรามก็รับรองทุกอย่างพระพุทธอ ง, องค์จึงได้ทรงมาพิจารณาว่าเมื่ออายุเจ็ดขวบนั้น จะมียักษณีคนหนึ่งตนหนึ่งที่มีอำนาจมากแล้วก็เป็นกรรมที่ได้ถัดสร้างกันเอาไว้ยักษ์เีตัวนั้นก็จะต้องมาทำลายชีวิตเด็กคนนี้เมื่อในถึงเวลาทีเ่เด็กคนนั้นจะต้องตายในนาทีนั้นแล้วก็ในวันนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็นาทำมนทบ ให้ไม่แช่พระพุทธเจ้าทําแต่ว่าให้พราหมณ์นั่นนะทำมนทบขึ้นมามนทบก็คือครัพระพรามแปลงคือพระพรายอย่างนั้นแล้วก็ให้เด็กนั่นไปนั่งอยู่ในตรงกลาง เ, เพื่อที่จะฟังพระธรรมพระพรานั้นก็ไม่ใช่น้อยต้องบรรจุพระได้มาถึงเป็นพันองค์พระพุทธเจ้าได้ รับสัรให้พระหรือว่ารับสัรให้ในพราหมณ์ไปอาราธนาให้พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ให้เป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนว่าอย่างนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้มารวมกันห้าร้อองค์แล้วก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็สองสวดพระปริต เมื่อสวดแล้วก็สวดอีกแล้วก็สวดย่ำอยู่ในที่นั้นเป็นเวลา เ, เป็นเวลาที่ยับตนนั้นที่เป็นกนําเณกกับเด็กนั้นจะต้องมาทาลายชีวิตแต่ก็ยับ ก, ก็ได้มา เ, เมื่อมาแล้วม า, มาวันแรกก็เข้าไม่ถึงเพราะว่าเมื่อเวลาที่พระพุทธเจ้า แลกก็พระสงฆ์เสาะว่าเจริญพระพุทธมนต์เทวดาทั้งหลายที่มีสักดาหใหญ่ก็มานั่งฟังผู้มีสักดาน้อยก็ถอยออกไปถอยออกไปถอยออกไปจกนกระทั่งเรียกว่าเป็นยอดยอดเพราะว่าเทวดาผู้มีสักหใหญ่เขาจะนั่งอยู่ข้างหน้าเทวดาผู้มีสักน้อยก็นั่งถอยออกไปทีนี้ ยักษ์ตอนนั้นก็มาแต่หาโอกาสเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเทวดามีแต่เทวดามานั่งอยู่นั้นแล้วก็ไม่สามารถจีเจเข้ามาได้ในเมื่อถึงวันในเมื่อถึงวันที่เขาจะมาทำลายเด็กคนนั้นแล้วยักษ์ตัว น, นั้นก็หมดโอกาสเมื่อพ้นเจ็ดวันไปแล้ว ยายก็ได้กลับคืนไปที่เด็กคนนั้นก็เลยไม่สิ้นชีวิตมี่ชีวิตคืนมาแล้วก็ได้มีการตั้งชื่อเด็กคนนั้นใหม่ว่าชื่อว่าทีคารุกุมารอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่ามาแต่หลวงพ่อก็ได้ยินมาแล้วก็ได้อ่านมาในตาราแล้วก็ ที่ท่านแสดงเอาไว้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ควรจะคิดว่าควรจะเป็นอย่างไรอ า, อานิสง์ของการสวดมนต์เนี่ย ม, มีอานิสง์มากไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนถ้ามีการสวดมนต์ขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องม e. ีผู้ที่ที่ท่านเรียกว่าเป็นแทพหรือเป็นอะไรมาคอยฟังสวดมนต์อยู่อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็พูดกันทึ้งเรื่องอนี่ก็คงจะเป็นข้อคิดขอให้ท่านทั้งหลายเอคิดเอาเองก็แล้วกันสวัสดีสาธุ